ศาสนาธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเครื่องสังหารภพชาติในใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์กเทวดามีส่วนอยู่ด้วย ให้สิ้นและเบาบางลงโดยลําดับเพราะนั้นผู้เกิดมาใ้สัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่ปูดแล้วเพราะนั้นยังห่างไกลอยู่มากกับศาสนาแต่มนุษย์เรานี้ควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้แม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็าตามเช่นอย่างอยู่คนละทวี แต่ธรรมะสามารถที่จะกระจายถึงกันทั่วถึงกันได้เช่นข่าวสารต่างๆที่โลกทั้งหลายได้ส่งสารถึงกันตลอดทั่วถึงโดยไม่มีไม่เสียเว ล, เวลาจำนวมากมายอะไรเลยข่าวสารต่างๆส่งได้ทั่วโลกสําหรับทุกวันนี้เรียกว่าสะดวกมาก ข่าวสารแห่งธรรมถ้าหากมีความพอใจสนใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆแล้วยิ่งจะรวดเร็วกว่าข่าวสารใดๆอีกด้วยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนพราะพุทธศาสนานี้สามารถกระจายทั่วถึงหมดจากผู้นับถือและผู้ปฏิบัติจะส่ง ข่าวกล่าวถึงกันตลอดถึงการเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงของวิทยุโทรทัศน์อะไรที่จะนำออกกระจายเช่นเดียวกับโลกเขาเลยเพียงหนังสือแนั้นก็กระจายทั่วถึงแ้วนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของสัตว์ที่ไม่สามารถจะให้ จิต ใ, ใจมีความพอใจในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิดและแน่นอนที่สุดในหัวใจโลกและแดนแห่งธรรมไม่มีอันใดที่จะเคลื่อนคราดผิดจากความจริ ง, ต า, งตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนไม่เลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้รู้เห็นจริงๆ ในทุกแง่ทุกมุมที่นํามาสอนโลกนี้ไม่ใช่นํามาด้วยความดุนเดาเกาหมัดแต่นํามาด้วยการพิสูจน์โดยสยามผูทุกทุกพระโอษฐ์เยียบง้อยแล้วเป็นที่พอพอใจพอพระไยัยในการที่จะนําออกสอนจัดไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่าง ทีย่นย่อแสดงไว้ก็ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นความเป็นข้อยืนยันเป็นสิ่งที่มีมาประจำโลกมานานแสนหนโลกไม่เคยปราศจากสิ่งนี้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยบาปบุญนรกสวรรค์และการเกิดตายด้วยกันเท่งนั้นไม่มีอะไรบกพร่อง แต่ผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางตามความจริงนี้จะมีเป็นระยะระยะหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีสาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ า, าศาสนาพุทธของเราจะมีเป็นตอนเป็นตอนอาชี้แจงแสดงบอกไปแต่สำคัญที่กิจใจของสัตว์โลกมันก็มีกรรมหุ้มห่ออันหนึ่งเหมือนกันไม่สามารถที่จะ เปิดออกรับความจริงตามที่ท้าชนะธรรมประกาศสอนไว้ถูกทีเหียอมันปิดมันบงังมันปัดมันกวาดทางเตียนโล่งให้เข้าสู่ความร่มจมหรือมืดมลอุนตการไปเสียไม่ใช่เป็นความเตียนโล่งตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดังที่ธรรมท่านสอนไม่เลยดังพวกที่เป็นข้าศึกของธรรมนี้มันไปปิดไปกัน้นมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงยิ่งตอนหลอกลวงไปเสียหมด กรบความจริงไว้แล้วจึงสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นได้แม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็าตามนี่แหละท่านที่นี่กว่ากรรมของสัตว์กรรมของสัตว์อย่าว่ากรรมของผู้อื่นผู้ใดเลยมีทุกคนทุกตัวสัตว์คําว่ากรรมคือการกระทําหากมีอยู่ภายในจิตของทุกตัวสัตว์มนโนกรรมมนโนกรรมที่จะแสดงออกก็แสดงออกตามมนโนกรรม ที่เป็นกรรมภายในนั่นแหละนั่นแหละจะเอาอะไรมาแสดงต้องแสดงออกมาจากภายในแล้วภายในมีอะไรปิดบังหุงห่มห่อนั่นสําคัญมากทีเดียวไม่ให้รู้ให้เห็นตามความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีธรรมชาติที่ไม่ดีมีอํานาจอยู่ภายในใจิตใจมันสามารถที่จะปิดจะบงังจะ ก, กีดจา ก, กันได้หมดเวลาที่มันมีอำนาจเป็นเช่นนั้น ท่านทั้งจริงโลกสัตว์โลกกิงลำบากเกิดมาในแดนแห่งความกินทั้งหลายเห็นอยู่สดสดร้อนๆในเอาตัวของเราเป็นตัวประกันมันก็ยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงในตัวข อ, ของตัวได้เช่นเกิดนี่เกิดมาจากที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่รู้ทั้งๆั้งที่เคยเกิดมาไม่รู้กี่พว ก, กี่ชาติกี่กลับกี่กันเป็นไม่ต้องพูดยังล้านล้า น, นของแต่ละภพภูมิชาติแห่งจิตใจแต่ละดวงกะดวงของสัตว์โลก แต่ละลายละลายนั่นแหละไม่จะไม่มีที่ไหนความเกิดเกิดอยู่กับบิน ญ, ญาณวิญญาณพาให้เกิดพาพาพาเป็นตัวยืนรงเชื่อคืออวิชชาได้จากกิเลสอันเป็นเชื่อจำคัญพาให้เกิดนี่มีอยู่ทุกตัวคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันในความมีความเป็นของตนได้เพราะไม่รู้ มีอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นช่องทางที่มามาจากไหนก็ไม่รู้ก็เห็นแต่เกิดมาก็เป็นคนโตขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าตัวเป็นคนเป็นสัตว์นี่จะยืนยันได้ยังไงว่าเราเกิดมาจากที่ไหนทั้งๆที่เกิดมานี่แล้วก็ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกก็ยืนยันไม่ได้สุดท้ายก็มอบลงคําว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นที่ยิ่งมันเลือกมากไปมากจริงๆถ้าลงแล้ว มาตายแล้วศูนย์นะคนนั้นรู้สึกจะหมดคุณค่าหมดราคาหมดความหวังหวังเท่าไหรก็ไม่มีสิ่งที่จะตอบแทนเพราะจะไม่ทําความดีเลยเนื่องจากว่าความสิ้นหวังหมดแล้วเนื่องจากตายแล้วศูนย์คือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเพราะสูญสิ้นไปหมดคิบหายผลปีไปหมดแล้วจะทําอะไรอยากทําอะไรก็ทำเลยจริงๆนั่นคำว่าอยากทําอะไรก็ทำมันก็มาในเงื่อนเดียวกับว่าตายแล้วศูนย์ทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่ได้ศูนย์ เราก็ต้องให้ทำตามความชอบใจนะมันก็สวมรอยลงไปนั้นอีกความชอบใจจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่สิ่งเป็นค่าศึกต่อธรรมสิ่งเป็นค่าศึกต่อความดีทั้งหลายของตัวเองแต่แท้ๆนั่นแหละมันจะต้องทำในสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อตัวสุดท้ายก็คู่ที่ว่าตายแล้วสูนนั่นแหละมาหมุนตัวเป็นกงจับให้กรรมทั้งหลายเผา ผานอยู่ตลอดเวลาเลื่อยมาจนกระทั่งบันนี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงนายอื่นนายใ ด, ดพูดถึงตัวของเราเองเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเจ้าอย่าตําหนิว่าผู้ใดผู้หนึ่งว่าไม่รู้ว่าปฏิเสธความจริงว่าลบล้างความจริงคือตัวเราเองนั่นแหละมีโดยมีสิ่งที่มันเคยลบล้างความจริงทั้งหลายมาลบล้างภายในหัวใจม มากระซิบกระซาดให้เกิดความเชื่อในสิ่งนั้นเสียแล้วก็ลบล้างความจริงซึ่มีในตัวเองและความจริงที่ตนจะพึงได้พึงติ๋งท่นให้สูญสิ้นไปนสิ่งที่ไม่สูญไม่สิ้นโดยที่ทั้งๆเจ้าของก็ว่าจะสูญสิ้นคือบาปบุญอะไรๆ ไ, ไ, ไม่มีนั่นแหละที่จะมาทําให้เราได้สนองหรือได้รับบาปคือบาปที่ว่าไม่มีนั่นเอ นรกที่ว่าไม่มีนั่นเนี่ยมันจะจงลงที่ตรงนั้นมีถึงแบบกรรมของสัตว์นี่พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาในถ้ำกลางแห่งพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นเลิศที่ดียวถ้าพูดถึงในชาติมนุษย์แดนมนุษย์ด้วยกันเราอยากเข้าใจว่าประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญประเทศนั้นฉลาดประเทศนั้นโง่เราจะไปคิดอย่างนั้นเอาหลักความจริงแห่งกรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี่มาเป็นเครื่องยืนยันกัน ศาสนานี้เป็นศาสนาที่แน่ร้อยเอร์ซไม่มีสงสัยผมออก่อขาดเข้าว่าเลยเพราะอะไรขอพูดตามความสัจทจริงต่อหมู่เพื่อนว่าได้ยืนยันในหัวใจเจ้าของเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถที่จะยืนยันได้เลยการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นข้อที่จะทำให้ยืนยันได้ไปฟังครูฟังอาจารย์ก็ฟังแต่เมื่อมันไม่ถึงใจแล้วมันก็ต้องเป็นอย่อยางนั้นละความสงสัยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมี ท่านสอนความจริงท่านขนาดไหนธรรมะมีแต่ความจริงล้วนท่านว่าอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านสอนนอกจากอริยสัจไปไหนคูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสอนนอกจากอริยสัจไปไหนแต่เรามันก็ไม่รู้อริยสัจจะว่าไงเมื่อถึงยังไม่ถึงเวลาที่มันจะรู้แต่เพราะความมุสาพยายามนั่นแหละตะเกียกตะกายย่มรุปคู่ขันไปหลายครั้งนะผลก็ถลอกปอกเปลืกไปเรื่อยๆ เ, <ม>เดี๋ยวต่อไปก็ค่อยเข้า อ, อกเข้าใจ ไปโดยลําดับลําดาจนปรากฏว่าสาธุไม่ได้ประมาทกระจ่างขึ้นไปในาจิตใจหายสงสัยถึงเรื่องว่าบาปมีหรือไม่มีบุญมีหรือไม่มีมหายสงสัยบาปมียอมรับร้อยต์ายก็ตายไม่เสียดายชีวิตเราได้ยืนยันในขนาดนั้นเพราะความเชื่อในหัวใจนี่แหละซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเชื่ออะไรถึงขนาดนี้เชื่อก็เป็นเชื่อธรรมดาชัญญาอารมณ์ตา ม, มหมู่ตามเพื่อนหรือตามตำหับตาํบตานาทั้งสอนแล้วก็เชื่อนั่นเป็นเชื่ออันหนึ่งเป็นเชื่อกัน การเดาการคาดเทเนอไปหนึ่งก็เป็นความดีเพื่อจะให้เป็นความเชื่ออันสำคัญฝังอยู่ภายในตนที่เป็นสิมสันทิฏิโกนี่เมื่อปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอ้าวสมาธิก็เห็นขึ้นมาถ้าเห็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นความจริงจะเห็นอะไรในขั้นแห่งสมาธิต้องเห็นความจริงอันหนึ่งที่สมาธิจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในตามสภาพหรือตามมรณะของตนต้องรู้นี่มันก็เห็นชัดขึ้นมาอันนี้ปัญญาสมาธิมีหลายขั้นเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้หลายภูมิ เพราะฉะนั้นก้าเข้าสู่ปัญญาปัญญาธรรมดาก็มีล้มลูกคู่ครานดังที่เราเคยคิดเคยอ่านพิิจพิจารณานี่เป็นปัญญาล้มลูกคู่ครานเป็นปัญญาเช่นเดียวเรียกว่าปัญญาในสัญญาอาศัยสัญญาว่าที่ดีเช่นประทัดไปแล้วปัญญาก็ตรองไปตามนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็ไม่ไม่อัศจรรย์นักพอก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนาเมญปัญญานั่นละทีิ้ง อันใดไม่เคยรู้อันใดไม่เคยเห็นมันจะกระแจงกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลําดับี่เลสตัวไหนที่มันหลบมันมันซ่อนมันบีบมันบังคับเราอยู่ฉากหน้าฉากหลังตัวไหนมันจะมาเจอกันกองชันทิติโกชันทิโกด้วยการปฏิบัตินี้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งพังมันลงหมดจากหัวใจแล้วทําไมมันจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านวิเศษจากอะไรวิเศษจากความบริสุทธิ์ของของพระไทยท่านนั่ส่องมองทะลุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันใดจะ มีความพิจดารประเสริฐเลิศเลยยิ่ง ก, กว่าใจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากที่เด็ดทั้งหลายนี่เล่านี่ที่พูริี่เจ้าศาสนาองค์เอกเอาเออกมาจาก จ, ากจิต ท, ที่บริสุทธิ์ไม่ด้มาด้นมาดวมาดวสอนโลกอะไรเลยสอนด้วยความสัต์ความจริงสอนด้วยความรู้ความเห็นจริงๆด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่มีใครที่จะเกินมาพูเทแเจ้าแหละเรื่องพระเมตตานี่นะ่ะมหาการุณิโกนาโถหิตายาสาวปานินางนั่นไม่แปลก็พอทราบแล้วคําว่ามหาการุณิโกนาโถฟังสิ ยังมีความเมตตาสงสารและสงเคราะห์โลกม า, ม, ามากมายขนาดไหนอิตายะเสาปลายนั่งทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายกายกองด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นเองแล้วพระเมตตานี้ออกมาจากความบริสุทธิ์เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความอ่อนโยนต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นความเมตตาสงสารต่อสตัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่เสกสรรตั้นยอขึ้นมานี่หลาพูดทธศาสนา แล้วเราไม่ประมาศศาสนานอกนั้นเราไม่ประมาทเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเอาความแน่นอนจริงจัมาจากไหนก็เราท่านท่านเป็นยังไงความรู้ก็เห็นของเราท่านท่านเป็นยังไงแล้วแยกตัวออกไปเป็นเจ้าเป็นศาสตาจารย์สอนหมู่เพื่อนเป็นยังไงกิเลสคลองอยู่ในหัวใจเอาความแน่ความนานความจริงมาจากไหนือเอาพิจารณากันตรงนี้ก็รู้นี่น่ะเพราะกิเลสมันยังมีอยู่ในหัวใจก็เป็นสามัญชนธรรมดาเรานี่เป็นครูเป็นอาจารย์เนื้อเป็นศาสดาขึ้นมา เป็นเจ้าของศาสนาแล้นัขึ้นมาทาั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยูน่นี่เอาคําแน่นอนเอาราเขิงมาจากไหนมันก็เหมือนเราเราท่านๆนี่สิบางอย่างที่สั่งสอนโลกไปแทนที่จะเป็นจริงมันกลับเป็นบาปก็ได้นี่แต่เราไม่ยกตัวอยา่างมันจะกระทบเถือนศาสกกนานั้นๆไม่ยกขอให้นำเอาเป็นแง่พา่นาวเป็นความเห็นของคนของเจ้าของศาสนานั้นแหละที่แสดงออกมาว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำบาปอย่างนั้นนก็นๆๆๆได้นี่นะ เพานไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆจากหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสทั้งหลายเด็ดสองทะลุลงไปตามความจริงแล้วสอนออกมาตามความจริงจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสปิดบงังรูปธรรมไปสอนเอานํามาสอนรูปด้วยความรูปครรมเอาความจริงใจมาจากไหนเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่ว่าดาวกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าอะไรแลหละเมื่อหัวใจดวงนี้มันยังถูกปิดบังอยู่ด้วยเครื่องหุ้มหอ่อตัวสําคันไปแล้วจะเอาความจริงจังมาจากไหนแต่ว่าทยาของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่น่ะ แทงทะลุไปหมดขมารโลกวิทูก็แจ้งไปหมดโลกในโลกทั้งสามโลกนอกก็แจ้งโลกในคือในพระไทยก็แจ้งนี่โลกวิทูโลกวิทูไม่ได้มายถึงว่าโลกนอกเหมือนพระอาิประจันตาของพระเจ้าไม่ได้ตาเป็นตาพระอาิประจันเลยนั่นไปอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันตรีขมารตาโลกวิทูญาณอุตปาลิยิชาอุตปาลิอโลโกอุตปาลิหรือปัญญาอุตปาลิมีตั้งแต่ความสว่างกระจางแจ้งในพระไทยเท่านั้น ไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ไม่เหมือนความสว่างกระจ่างแจ้งของโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่และเราลู้เห็นเห็นกันอยู่นี่เลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พ้นจากวิสัยแห่งโลกทั้งหลายนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงถึงนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษตลอดพระนิพพานได้โดยเป็นพระไถยของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยเลยเอาสาวกองคใดที่รู้ตามบุญเจ้ารู้เข้าไปที่ คำว่าสันติสุขโอสันติสุขจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะไม่ใช่เพราะไม่มีอรหันต์ประเภทบ้าเนี่ยนะอรหันต์ตามหลักความจริงของพระเจ้าแล้วต้องเป็นเหมือนเหมือนกันหมดไม่ทูลถามยกมือกราบไม่ทันทีเลยอ๋ออย่างนี้เหรือพระพุทธเจ้ารู้รอย่างนี้หรือรู้อย่างนี้หรอเท่านั้นแหละนี่แหละศาส น, นาพูดเป็นอย่างนี้ยืนยันกันด้วยหลักธรรมชาติศาส น, นาที่มีกิเลสเป็นเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าของศาส น, นาไม่แน่ใจแหละสําหรับเราเป็นคนที่ตีมาก ขีเล็มากอย่างเราเนี่ยเราไม่ไแน่ใจแต่ตอนเราบูรณาแล้วมอบเลยยอมเลยตาก็ตายเถอะวางมั้นเลยไม่มีอะไรเสียดายแม่นิดหนึ่งแม่นิน่งไมตายไม่มีขอให้ได้เทิดทุนทำของบรูรณาด้วยความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นก็พอแล้วเราเราพูดเทา่านี้เราพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดให้เต็มตามหัวใจที่เป็นอยู่ในตลอดเวลาในปัจจุบันนี้เนื้อจะสงสัยที่ตรงไหน มันน่าปื้มอกปลื้มใจมันน่ามีแก่ใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของมือเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เรารู้ความคับไม่จริงหรือไม่จริงเน่ไม่แค่หรือไม่แน่ทําลงไปจะได้หรือไม่ได้ทํำไปจะจริงไม่จริงอย่างนี้ไม่มีจริงแล้วทั้งนั้นบาปมีจริงแล้วนรกจริงแล้วอาสมกิเลสทุกประเภทดังที่ท่านสอนไปแล้วมีเต็มหัวใจนี้แล้วเอาแก้เอาไปแก้เอาไปด้วยมักคืออะไรมักคือสีธรรมาธิปัญญาถ้าเป็นหน้าปฏิบัติเราถ้าพูดถึงเรื่องความดีความ การให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีตั้งแต่มากทางดําเนินทางเครื่องสังหารกิเลสให้มันพังลงพานธจิตใจโยนมาตตบนให้ขาหน้อยเขาให้สั้นลงมาสั้นทั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจากพุทธศาสนาแต่ละครั้งละครั้งที่เราได้ประสบเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาในพุทธศาสนาจึงเป็นผู้มผีผู้ได้เปรียบอยู่มากทีเดียวถ้าว่าเป็นผู้ฉลาดก็ฉลาดด้วยอุปณิสัยไม่ได้เอาฉลาดอันแบบโง่โง่ทนงตัวมาคุยกันมนเรียน จบนั้นจบนี้แล้วมาคุยกันโม้กันทั้งๆที่กิเลสมันผิดวิชาให้ยังไม่รู้ตัวยังมาทะนงตัวอวดตัวรู้ตัวว่าฉลาดความรู้ของกิเลสกับความรู้ของของธรรมมันต่างกันยังไงความรู้ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วกับความรู้ของผู้กิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันยังไงให้มันรู้มันก็รู้เองนี่นะเฮ้กิเลสมันวางลวดลายให้แล้วเป็นบ้าตัวเองเมาน้ําลายตัวเองก็ยังไม่รู้อ้มันถึงเหตุถึงผลแท้การพูดปฏิบัติ ศา ส, สนาองค์เอกเอกแท้ๆไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำแสดงไว้แล้วก็เอกอะไรก็อเอกให้มันเห็นภานในจิตใจในี่ผู้ปฏิบัติมันน่ามีแก่กิจใจใน่าเอาชีวิต จ, จิตใจเข้าแรกเข้าเลยฮะมอบถวายเลยเพราะได้เราได้มอบกับกิเลสทั้งๆที่ไม่ได้บอกว่ามอบกับตามมอบกับมันทั้งกลางวันมอบมากกี่กับกี่กันแล้วมันได้ความดิบความดีมากน้อยเพียงไรกิเลสให้ความดีแก่คนมือความโลภมันดีไหมพิณาสิ คนเกิดความโลภมันดีไหมอ้าวแสดงอาการจิตยานไลออกมาความโลภนั่นมันร้อนภายในจิตใจแล้วมันแสดงอาการออกไลออกมามันดีไหมความโกรธมันแสดงมามันดีไหมราคาตันหามันแสดงมามันดีไหมฟังเจมันโลกนี่กัดฉีกกันพาตัวจันไรตัวไฟมนากันสามกองนี่แหละจะเป็นอะไรไปหาความสุขความสบายไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะนี่ความโลภโลกไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่รู้จักพอ จะเอามาเผาหัวเจ้าของก็ไม่หมดเจ้าของจนเป็นเท่าเป็นฐานไปทรัพย์สมบัติเงินทองเห่านั้นมันก็ยังยั ง, ยงไม่หมดเหมฉะนกันยังโลภสะพัดสะพือแล้วความโลภนั้นพาคนมีความสุดความความเจริญที่ไหนพาคนได้รับความสบายที่ไหนถ้าไม่ละความโลภนั้นซึ่งตัวเป็นตัวหิวหายตัวหิวตัวกระหายตัวดิ้นโดนกวน ก, บ, นกบายนั้นเสียฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยความสงบได้ น, นความโกรธเป็นยังไงเวลาแสดงขึ้นมาเป็นยังไง ความหลงเราไม่พูดละอันั้นมันฝังเป็นพื้นอยู่แล้วราคาตันหามันออกมาเป็นยังไงแสดงมาเป็นยังไงแม้แต่สุนัขมองเห็นไหมหน้ามันขนองมันกัดกันฉีดกันแหลกไปหมดนั่นเป็นไงมนุษย์เราก็เถอะถ้าลงว่าอันนี้ได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วไม่ไห้หน้าใครทั้งนั้นแหละหน้าอินหน้าผมผมไม่มีเลยเอาแหลกได้เหมือนกันแล้วมนุษย์ยิ่งแหลกกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมันฉลาดกันนี่นี่มันเป็นของหนีเมื่อไหร่แก้มันเอาที่อันนี้ก็มีอยู่ในหัวใจเราเราสงสัยที่ไหนเวลานี้ พระจะสอนสอนลงที่ไหนสอนลงที่ใจดินไม่ใช่กิเลสน้ำไม่ใช่กิเลสลมไม่ใช่กิเลสไฟไม่ใช่กิเลสอากาศจะธานุไม่กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างนักวแดนโลกทาตุไม่ใช่กิเลสมันกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่เท่านั้นตัวนี้เป็นตัวสําคัญตัวนี้เป็นตัวจันลัยเสนียจันไรมากทีเดียวแก้ตรงลงตรงนี้ที่ธรรมะทั้งหมดไม่ได้ไปแก้ดินน้ําลมไฟไม่ได้แก้ดินผ้าอากาศที่ไหนแก้ลงที่จิตใจที่เป็นตัวกิเลสเนี่ยให้มันพังปลานลงไปที่นี่ไม่ได้แก้ที่ตรงไหนเอาลงไปที่นี่สิ เพรว่าคำตังสอนครูบาอาจารย์ก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเราพูดอย่างของผมนี่แล้วผมไม่มีอะไรเหลืออเทยังมายังไม่มีอะไรเหลือเลยเพื่อท่านทุกท่านที่มาศึกษาอบรมไม่ได้เทศเพื่อความโอ้วอวดไม่ได้เทศเพื่ออย่างอื่นอย่างใดสิ่งจ้างหรังวันอะไรเลยเทศด้วยความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นทำมูอจ้างนี้เป็นยังไงเมื่อลูกเข้าไปแล้วเป็นยังไงเห็นเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันต่างกับตังตะกอนยังไงบ้าง แบกที่เด็ดกับแบกทำเป็นยังไงเอาเราเราพูดว่าแบกเสียแบกที่เด็ดเป็นยังไงเออแบกที่เด็ดหนักแทบจะเป็นจตานในภพชาติหนึ่งหนึ่งแบกทำเปดนยังไงแสนสบายฟังที่แ บ, ทบท แ, แ, แ, แบกทำแสนสบายเอแบกทำไมสบายนั่นฟังที่ทรงทำนั่นแหละว่าแบกทำแสนสบายนี่เราเน่ยเกิดเนี่ยภพธาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วพราะพูธศาสนาด้วยอืสอนอัดสอนทำ ถูกต้องแม่นยำทุกอิทุก ก, ก, กีไม่มีสงสัยอะไรแล้วอริยสัจทั้ง4ี่ประกาศตังวานเพว่ความรื้อถอนภพชาติออกจากจิตใจของสัตวซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนนานนั่นแหละจะเป็นอะไรไปอริ ย, ยสัจ4ี่หรือสติปัฏฐาน4ี่พูดอะไรก็ได้ถูกหมดมีแต่เครื่องถอดถอนลูกศร ท, ที่มันทิ่มแทงในภายในจิตใจนี้ออกทั้งนั้นนี่เป็นอย่างมากอย่างน้อยตัดภพชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอํานาจแห่งการพบพุทธศาสนา ป ฏ, ป, ฏ ป, ฏปฏิบัิพุทธปฏิบัติตามหลักของศาสนาแล้วก็สุดท้ายก็กพ้นไปได้อชาตินี้เกิดมาเอาบำเพ็ญนี่แหละทำชาทำวัตตะบนของเราให้ให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาถ้าเกิดมาเฉยตาย เ, ยเฉยเกิดมาใเฉยตายเร้อยชาติพันชาติก็หาอะไรยน่นเข้ามาไม่ได้เลยเอดีไม่ดียิ่งจะพ่คคุณวัตตะบนให้มากเขาเพราะไม่ได้เคยสร้างความดีมิได้สร้างความชั่วอันเรื่องไม่สร้างไม่ต้องสงสัยว่า มันอยู่ได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันต้องสร้างเนี่ยชัดมันก็สร้างบาปได้แต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างบาปเฉยทุกครบทุกท่านมันมีการสร้างบาปไปทั้งนั้นเมื่อสร้างบุญไม่ได้มันสร้างบาปยังได้นั่นแหละมันยิ่งยืดเยื้อไปเรื่องวัตตะบนพาณจิตใจแล้วมีศาสนามันยังมีข้อห้ามจริงได้ที่นั้นที่ไม่ดีไม่งามที่จะเสริมทางมัตะบนให้มันกว้างไปตัดเข้ามาตัดเข้ามาคือสร้างควางามความดีก็เป็น ทำตัดวัตถุนิยให้สั้นเข้ามาย่นวัตถุนิให้สั้นเข้ามาปั้นเข้ามายนผลสุดท้ายขึ้นสําเร็จโสดาหนาบางที่ชั้นเร็จดสกีทาคาหนา่นาอาราณานที่นี้ความแน่นอนเข้าถึงเข้าถึงแล้วเนี่ยอันอันอันอนนาคาเนี่ยสุดท้ายก็อรหันต์อรหันต์ไปพ้นถ้าลงพ้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มี ำมำการสถานที่เวลาเวลาสมมุติทั้งหลายที่เคยเป็นรอบตะตัวอยู่นี้จะเข้าไปถึงธรรมชาตินั้นหาทางเป็นไปไ ป, ไปได้ไปไม่ได้เลยนผมพ้นวิสัยทัศรรทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมทำเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นกิเลสถึงใจเป็นยังไงเราก็ทราบแล้วนี่ทำไมทิ้งขนุนถนอมมันลักหนาจะทํ า, าทอะไรก็กลัวแต่กิเลสกระเทือนกิเลสมันอยู่ในตัวของเรา แต่การทำความภาคความเพียรก็กลัวแต่เราลำบากกาลัวกิเลสลําบากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเพราะกิเลสกับเรามันถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นฆาสศดกสุดท้ายก็มีแต่เราเป็น่าสศึกต่อเราแต่เดินจงกมนั่งสมาธิภาวนาแต่ละทั้งละหนกกลัวจะลําบากประวมวกลัวจะลม้มจะตายหมดเลยกิเลสมันบีบคอจนจนจะตายไม่เห็นคิดบ้างตายมากี่ภพกี่ชาติพราะอนม่ของกิเลสพาให้เกิดให้ตายทํำไมไม่คิดบ้างแต่การพูดปฏิบัติธรรมะทำไมจะกลัวแต่ตายกลัวแตตายมันไม่แพ้กิ คิดีนักปฏิบัติไม่คิดยังไงสติปัญญามีอยู่มาใช้สิอ า, อาละเหนื่อยแล้วดไปพูพไปเลยเหนือหน่อยเหนื่อยนมเป็นงั้นะแล้วคุณจะรุนหลับไป็นยังไงนี่นเทศกรรมฐานเป็นงั้นเลยยำลงเลยขึ้นเมืองเขียงไม่ขึ้นเมืองเขียงมาจำขัญยำมึงเลยเดีย เหนื่อย ล, อละอะเลิกกัน้นะไม่มีอะไรแล้วเนะท่านี้แหละเหนื่อยลกหน่อยอย่างนี้ว่าเดียวมาพูดมีอะไรพูดเดี๋ยว เ, เดียวกับไปอี๋อะไรนะเลิก